นี่เป็นใครครับผมเนลูกคี่คนสองคนครับสองคนผู้ชายนั้งคู่ผู้ชายตั้งคู่ครับคนโตบวดอยู่ที่สังคนโตไม่เด้เหัวนะคนก็คนเล็กคนคนของหดวครับคนโตทำอะไรนะคคโตคุโตไม่ไปอาหารกัครับเลวิจัยกลุ่มไปเรื่อยๆนะครับ คือเลียงลูกก็ทีมาเด้ทุกวันจ้าค่ะคนเราก็แตกเนี่ยเป็นคนเหมือนกันเนี่ยทําไมไม่เหมือนกันเนี่ยมัน้ากับดิเนเลยกันเพราะใจไม่เหมือนกั น, นมีร่างมนุษย์แต่ใจไม่ได้ใจไม่เหมือนใจรักไม่เหมือนกันใจชอบไม่เหมือนกันติเพื่นติดสืนอใช่ไหมอ่าเขาเพราะคนไม่ดีเป็นมิตรไว่าเป็นอบายนุข ชอบคนเที่ยวคนเล่นไม่ชอบคนทํางานคนเอาจริงเอาจังตัวเองไม่ชอบเนี่ยเองชอบเที่ยวชอบเล่นก็เลยชอบชอบพบกับคนที่ชอบเที่ยวชอบเล่นทำไมมันทุกอย่างครบทุกอย่างครับครอบสูตรถก็ทำใจได้เจ้าค่ะเดี๋ยวดีที่ทำใจได้แล้วเจ้ค่ะ เขาเป็นของเขาอย่างนั้นน่ะเราไม่ได้เป็นคดชา้าของขึ้นมาเขาเพียงใดมาอาศัยท้องเราอยู่น น, นี้สายใจคอเป็นของเขาทั้งหมดเป็นใครเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วก็ไม่รู้พอเราไปตั้งท้องขึ้นมาเขาก็เลยมาขอ เราทั้งเราคนบ้านเนี่ยเลี้ยงด้วยความเมตตาไปเลี้ยงพอให้มันอยู่ได้มันจะเอาดียวเชื่อแค่เรื่งของมันเรามีหน้าที่สอนก็สอนไปแบอบกไป เขาเล็กนี่ไม่ต้องบังคับเลยนะ<อ>ไตองเลครับตั้งแต่เล็กมาไม่เคยทําให้เสียใจยเลยเแก่กัะทั่งคนชายเขาดีมาเข า, ามาดีาลูกนี่เขาจะเจ้าบอกเขามาสามแบบมาแบบดีมาแบบไม่ดีแล้วมาแบบกลางๆไม่ดีไม่ชัว่วแต่พวกไม่ดีนี่ดึงมันไปทางดียังไงก็เดิยาก ไอ้พวกดีเดินไปทางไม่ดีก็เดึนยากอยให้พวกกลางๆนี่ยมันไปได้ทั้งสองทางแล้วแต่ใครจะดึงไปถ้าพ่อแม่ดีเดินไปทางดีมันก็ไปกับพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ไม่ดีดึงไปทางไม่ดีมันก็ไปอยากกลางๆมันมันไม่มีแรงที่จะไปทางดีหรือทางไม่ดีของมันเองแล้วแต่ สังคมแล้วแต่เพื่อนจะพาไปแล้วแต่พ่อแม่จะพาไปแต่คนดีนี่พ่อแม่จะดึงไปทางไม่ดีมันก็ไม่ไปคนไม่ดีพ่อแม่จะดึงไปทางดีมันก็ไม่ไปใจมันฝ่ายไม่ดีใครฝ่ายดีก็จะไปดีดูพระพุทธเจ้า พอแม่จะดึงให้ไปดึงให้ไปเป็นพระพราชาหรือะกษัตริย์ก็ไม่เอาแต่ไปเป็นพระไปบวชเรื่องของคนก็อยู่ที่จิตใจร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวจริงของจริงร่างกายเป็นเพียงตัวแทน เหมือนผู้แทนที่เราเลือกเข้าไปในสภาร่างกายเป็นของชั่วคราวเผือเข้ามาตายแล้วใจเป็นของถาวรใจก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ ถ้าใจมีธรรมก็จะใจก็จะมีสุขถ้าใจมีกิเลสตัณหาใจก็จะมีทุกข์ใจต้องพยายามทำดีละบาปชำระความโลภความโกรธความหลง ถ้าท่านโลภมากๆมันก็จะเดินเราไปวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆและเรื่องราวต่างๆก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะให้ความสุขกับเรามันจะให้ความทุกข์กับเราพรมันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปมัต้องไปหาใหม่หามาได้เท่าไหร่ก็ หมดไปหรือไม่หมดก็ไม่พอไม่ได้ให้ความพอได้มาแล้วก็อยากจะได้มากกว่านี้ได้คือก็อยากได้สอบไม่สอบก็อยากจะได้วาก็จะพาให้เราไปดิ้นหาอยู่เรื่อยแล้ว ด, ดิ้นไปดิ้นมาก็อาจจะไปทำบาปถ้าหามัน โดยวิธีไม่ทำบาปไม่ได้ก็จะหามาโดยวิธีทำบาปทำบาปแล้วก็มีโทษตามมาโทษทางกฎหมายก็มีโทษทางกรรมก็มีก่งกรรมที่ในป่านี้เป็นที่เกิดของพวกทำกรรมทั้งนั้นเลย นกเนี่ยนกกาอะไรทั้งหลายไปทำกรรมมาใช่งั้ถึงได้มาเป็นนกเห็นสัตว์ด้วยคานเป็นงูเป็นอะไรต่างๆก็ไปทำบาปมาพอใช้บาปแล้ก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ มนุษย์ก็มาทาบุญทบาบาปมาถ้าไม่มีใครสอนก็มักจะไปทำบาปคนเพราะมันง่ายจะหาอะไรจะเอาอะไรนี่หาโดยการทำบาปมันง่ายหาโดยการไม่ทำบาปนี่มันยากนอกจากเป็นคนที่เคยเคอยฝึกใจมาคอยสอนใจคอยคุมใจ ไม่ให้ทําบาปให้แต่ทาแต่บุญตรงนี้ก็มาจากที่สูงตายไปก็ไปเป็นเทวดาหมดบุญก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่เป็นมนุษย์ฝ่ายบุญไม่ชอบทบําบาปชอบเข้าวัดชอบใส่บาตไปฟังเทศฟังธรรมชอบปฏิบัติธรรม ตรงนี้ก็จะเป็นบัวที่จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆไม่นานก็ก็จะบานขึ้นมาอยู่ที่มีพระพุทธศาสนาหรือไม่ถ้าไม่มีก็ต้องรอไปก่อนเหมือนบัวที่ต้องรอให้พาทิตขึ้นก่อนบัวเหนือน้ําถ้ายังไม่มีแสงอาทิตย์ก็ยังไม่บาน ถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะยังไม่สามารถที่จะบรรลุได้มันได้อย่างมากก็เป็นพรมเป็นเทวดาถ้ามีพระพุทธศาสนาก็เป็นพระอารหันต์กันได้ น, นี้คือประโยชน์ของพระพุทธศาสนา เป็นเหมือนแสงอาทิตย์เป็นเหมือนพระอาทิตย์ถ้าไม่มีพระอาทิตย์นี่ดอกมงดอกไม้ต่ต า, างๆบานจะไม่ได้เจริญเติบโตกันไม่ไ ด, ตตกกไได้ไปดูที่ไม่มีพระอาทิตย์เอที่ขั้วโลกเหนือมีแต่หิมะมีแต่มันแข็งต้นมงต้นไม้ขึ้นไม่ได้ ยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็เป็นอย่างนั้นยุคที่มีแต่ความมืดบอดไม่รู้จักผิดถูกดีชั่วไม่รู้จักการทำบุญละบาปการทำละใจให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีใครรู้ต้องมีพระพุทธเจ้ามาบอกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็จะมาบอกคำ สอนอันเดียวกันบอกให้ทำบุญทำกุศลให้ถึงพร้อมละการกระทำบาปทั้งปวงํำระใจให้สะอาดกำจัดความโลภความโกรธความหลงัำจัดตะธรมตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาคนที่มีใจฝ่บุญละบาปก็จะทำกัน ออกบวชกันคนที่ยังไม่ไฝ่บุญไม่ละบาปยังติดอยู่กับการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายอยู่ยังติดอยู่กับการมาตัณหาอยู่ก็ยังบวชไม่ได้ทำได้อย่างมากก็แค่ทำบุญใส่บาศีลก็ตรงทีก็รักษาไม่ค่อได้รักษาได้บ้างไม่รักษาบ้าง แต่ละจิตแต่ละดวงต้องพัฒนาไปเองถ้ารู้แล้วว่าควรทำอะไรก็ควรจะทำาดยเสียคำสอนพระพุทธเจ้านี้สอนเพื่อให้พัฒนาจิตใจของแต่ละดวงนี้ให้เป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นจิตใจที่ปราศจากความทุกข์ เป็นจิตใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขตลอดเวลาอันนี้เป็นเรื่องที่จิตแต่ละดวงจะต้องทำกันจะได้จะได้เรียนรู้หรือไม่ก็อยู่ที่ว่าคบกับใครเป็นเพื่อนหรือมีครอบครัวแบบไหน ถ้ามาเกิดในครอบครัวที่ชอบเข้าวัดมันก็มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไปเกิดในครอบครัวที่ไม่เข้าวัดก็จะไม่มีโอกาสจะไม่รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไปเกิดในประเทศที่ไม่มี พ, พุทธศาสนาก็ยิ่งไปเลยอ่ะะ คนที่ใฝ่บุญคนที่ไม่ชอบทำบาปคนที่ชอบชำระใจให้สะอาดแม้จะไปเกิดในประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็ยังดิ้นนนมาหาพระพุทธศาสนาจนได้ทีนี่วันนี้มีชาวต่างประเทศมาจากหลายประเทศด้วยกันจากมาเลาเซียสิงคโปร์ลาซิน ฝรั่งเศสเยอรมันอเมริกาเขาไปเกิดในประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนาแต่มีพระมีหนังสือธรรมะใบโพที่บ้านเขาพอเขาได้ยินได้ฟังได้อ่านเขาก็เกิดศรัทธาขึ้นมา ทั้งๆที่ประเทศเขาเจริญกว่าเรามีอะไรมากมายกว่าเราแต่กลับชอบมาอยู่ในป่าในเขาที่ไม่มีอะไรอันนี้แหละเรื่องแปลกวยเรื่องของคนที่เห็นคุณเห็นโทษโลกเหล่านี้มันเป็นโลกกลับตาลปัดเที่ไรเห็นผิดเป็นชาติกัน เห็นความเจริญทางวัตถุนี้เป็นความเจริญที่แท้จริงไม่เห็นความเจริญที่แท้จริงที่จิตใจก็เลยพัฒนาวัตถุกันลดพัฒนาแสงสีเสียงรูปเสียงกลิ่นลดกันพัฒนาแล้วก็วุ่นวายกันทุกข์กัน ได้เท่าไหร่ก็ไม่พอกันมีมากขนาดไหนก็ไม่พอถ้าไม่ถ้าพอก็กลัวจะผดกลัวจะหายมีเท่าไหร่ก็ต้องพยายามรักษามันให้อยู่ต่อไปให้ได้ก็ต้องทุกวุ่นวายกันเพราะวัตถุมันไม่แน่นอน มันดิ้นได้มันขึ้นขึ้นลงลงมาได้ไปได้เจริญได้เสื่อมได้เวลาจเจริญก็ดีใจเวลาเสื่อมก็เสียใจนี่คือความหลงมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวไม่เห็นว่า การพัฒนาจิตใจเป็นการพัฒนาที่แท้จริงเราเห็นว่าการทําตามคําสอนของพ่อพระพเจ้าเป็นการพัฒนาชีวิตจิตใจที่แท้จริงเป็นการหาความสุขที่แท้จริงเป็นการดับความทุกข์ที่แท้จริงอันนี้ คนใดเห็นคำสอนของท่าเจ้าว่าเป็นคำสอนที่นำไปสู่ความสุขความเจริญที่แท้จริงก็มีสัมมาทิฏฐิการเห็นชอาคนที่ไม่เห็นว่าคำสอนของท่าเจ้านำไปสู่การพัฒนาที่แท้จริงนำไปสู่ความสุขความเจริญที่แท้จริงก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ เราจะไม่สนใจในการทำบุญทำกุศลให้ถึงพร้อมไม่สนใจในเรื่องของการละบากไม่สนใจในเรื่องของการทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์จะหาแต่ลาบยศสรรเสริญหาแต่ความสุขทางตาหูจหมูกที่กายหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริง หาเท่าไหร่ก็ดับความทุกข์ต่างๆไม่ได้ความทุกข์ก็ยังมีความสุขที่หาได้ก็หายไปได้มาเท่าไหร่ก็หายไปอยู น, นี้พวกเราโชคดีได้มาเจอพระพุทธศาสนาได้เจอคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้ายังไม่มีศรัทธาก็พยายามปุกฝัศรัทธา ให้ศึกษามากๆฟังมากๆฟังบ่อยๆแล้วลองเอาไปพิจารณาดูเปรียบเทียบดูสิ่งที่พระเจ้าสอนให้ทำนั้นเป็นอย่างไรเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วลองปฏิบัติดูลองทำดูถ้าไม่ทำก็จะไม่เห็นไม่รู้ เหมือนเมวิธีกินยาหมอให้ยามาหมอเขียนวิธีกินยาให้กินให้กินกวันละกี่ครั้กี่เม็ดถ้าไม่ลองกินดูก็จะไม่รู้ว่ายาเป็นยังไงรัรรกษาโรคได้หรือไม่พระเจ้าให้ยามาสามชนิดให้ทำบุญให้ละบาป ให้ชำระใจให้สะอารปราศจากความโลภโกรธหลงความอยากต่างๆลองไปทำดูทําดูแล้วดูสิว่าจิตใจดีขึ้นหรือเลวลงมีความสุขมากขึ้นหรือมีความทุกข์มากขึ้นนี่คือการสร้างศรัทธาขึ้นมาถ้าได้เห็นผลที่เกิดจากการกินยา เห็นว <ítulo> ่ากินแล้วร่างกายดีขึ้นมันก็มีศรัทธาที่จะกินไปเรื่อยๆกินมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะทุกคนอยากจะให้ร่างกายหายร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์คำสอนของพระพิทธเจ้าก็เป็นเหมือนยาเรียกว่าธรรมโอสถกินเข้าไปแล้วก็จะทำให้ใจ มีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมาเมื่อมีศรัทธาแล้วก็จะมีวิริยะความอุตสาหะพยายามภาคเพียรที่จะกินยาของพระพุทธเจ้าเพิ่มมากขึ้นเพราะเห็นคุณประโยชน์ของการกินยาธรรมโอสถเห็นประโยชน์ ทำให้จิตใจมีความสุขมีความสงบมากขึ้นมีความทุกข์ความวุ่นวายใจน้อยลงไปวาวิตกความกังวลความห่วงใ ย, ยความอะไรต่างๆน้อยลงไปเรื่อยๆยิ่งทำก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นต่อไปก็อยากจะทำเต็มที่ไม่อยากจะทำอะไรนอกจากทำบุญละบาททำละใจให้บริสุท์ เราไปบวชกันได้บวชนี้ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองหรอกถ้าไปหาวัดที่เขารับบวชวัดที่รับผู้หญิงอยู่ก็มีวัดที่รับผู้ชายอยู่ก็มีถ้าไม่มีเงินทองจริงๆเขาไม่ว่าหรอกถ้ามีศรัทธาจริงๆไปอยู่ว่าจะไม่อยู่แบบ อยู่แบบอะไรมือมือหดเท้าหดอยู่แบบขยนันมีอะไรก็ช่วยงานวัดทำไปถ้คนขยันอยู่ที่ไหนไม่มีใครทอดรังเกียจมีแต่คนเข้ายินดีต้อนรับเสมอเพราะความขยันนี่ก็เป็นทรัพย์ชนิดหนึ่งทุงวันนี้ที่เราหาเงินกันได้ก็เพราะความขยนัน ถ้าไม่ขยนันมันจะมหาเงินมันจะมาได้อย่างไรถ้าไม่ขยนันทำงานมันจะมีรายได้ได้อย่างไรงนไม่มีเงินไม่ต้องกลัวขอให้มีความขยนันมีความเพียรมีวิริยะอุตสาหะไปอยู่ที่ไหนไม่อดตายรับรองได้ไม่มีใครรังเกียจ งั้นพยายามฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆอ่านหนังสือธรรมะอยู่เรื่อยๆสมัยนี้ธรรมะเราสามารถอ่านอ่านฟังได้ทุกวันเลยแทนที่จะไปดูหนังดูละครแล้วมาฟังเทศฟังธรรมกันดีกว่าฟังแล้วก็ปฏินำปฏิบัติตามที่ได้ยินได้ฟังมาเขาบอกให้เดินจงกรมเดินยังไงนั่งสมาธินั่งยังไงลองนั่งดู เรบอกให้จเจริญสติยังไงลองเจริญดูก็บอกให้รักษาศีลแปดยังไงลองรักษาดูทำไปพอหัดทําไปแล้วเดี๋ยวมันก็ทําไปเองเทุกอย่างมันต้องเรียนรู้กันฝึกหัดกันถ้าไม่เรียนรู้ไม่ฝึกหัดมันก็ไม่เป็นอยู่ลยแล้วถ้าเรียนรู้ฝึกหัดไปเรื่อย จากการที่ไม่เป็นอะไรก็จะเป็นเองพวกช่างพวกอะไรนี่เขาเป็นช่างขึ้นมาแต่เกิดที่ไหนเราก็นำอาศัยการเรียนการดูการฟังเรียนจากคนอื่นเรียนจากคนที่รู้พอรู้แล้วแล้วก็เรียนแล้วก็ลองมาทําดูทําไปทํามาก็รู้ก็ทําได้กับข้าวกับปลานี่ก็ต้องเรียนรู้จากคนที่เขาทา เห็นเขาทำกับข้าก็ดูเขาทำไปต่อไปเราก็ลองไปทำเองพอเราทำปั๊บเดี๋ยวเราก็ทำได้นั้นต้องฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนฝ่ายปฏิบัติแล้วก็ต้องมีความพยันเป็นพื้นฐานถ้ามีความพยันแล้วไม่อดตายไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไม่มีใครรังเกียจ เราําแต่คนขยันนี่ทำแต่ประโยชน์ไม่ทำโทษให้กับใครเี่ยมือสองมือเท้าสองเท้านี่สามารถที่จะหาเงินเป็นแสนเป็นล้านได้อมีความขยนนันนะแต่อยู่วัดได้ไกลัวหรอกไม่มีเงินก็ไม่มีใครเข้าว่า คนที่เขาจะว่าถ้าเป็นคนที่ตาบอดก็ปล่อยเขาว่าไปอ่านเขอไม่ได้อยากจะว่าก็าปล่อยเขาว่าไปเราฟังเจ้าว่าคนเดียวก็พอถ้าหลวงพ่อท่านบอกอยู่ได้ก็อยู่คนอื่นจะว่าไงก็ปล่อยเขาว่าไปเ้าจากทดอะไร จะมาขอกรมาฐานค่ะอยู่เรือนห้าค่ะจะมาอยู่กี่วันเจดวันค่ะามาวันนี้แล้วกลับวันทีน่ยีองค่ะอ่อาทิตยแล้วเคยมาไห ม, มาทิตแล้วค่ะเป็นยังไงดีไหมอาทิตแล้วจิตสงกไปทีดเดียวเองค่ะเอ่าสงบไม่สงบอยู่ที่สติเนี่ยต้องควบคุมความคิดท่องคาถาว่าอย่าคิดอย่าคิดอย่าคิดไปไม่ไม คิดไปทไมอยู่คนเดียวคิดไปหาอะไรหยุดคิดหยุดคิดอย่าคิดอย่าคิดอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันอย่าไปอดีตอย่าไปอนาคตอย่าไปที่ใกล้ที่ไกลให้อยู่ที่นี่นี่แหละวิธีฝึกจิตสติส ต, ติก็คือการดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบันให้หยุดคิด ไม่ให้ไปอดีตไม่ให้ไปอนาคตไม่ให้ไปที่ใกล้ที่ไกลให้อยู่ที่นี่อยู่ที่ร่างกายนี้หอยผูกมัดไว้กับร่างกายร่างกายกําลังทําอะไรทํากับร่างกายไปร่างกายกําลังล้างหน้าก็ล้างหน้ากับมันร่างกายยืนก็ยืนกับมันร่างกายนอนก็นอนกับมันเดินก็เดินกับมันอย่าไปที่อื่น นี่คือการสึดให้ทำแค่นี้แหละไม่ต้องไปทำอะไรอย่างอื่นอันนี้แหละเป็นกุญแจเป็นขั้นแรกเหมือนกอไก่ขอไข่เรื่องปัญญาเรื่องอะไรไม่ต้องไปสนใจนอะไร น, นี่อย่าคิดอย่างเดียวนั่งให้มากเดินให้มากอย่านอนนอนให้น้อยกินให้น้อยถ้ามันง่วงก็ อ, อดข้าวไปเลยดื่มแต่น้ำปลานะไปดื่มแต่น้าผลไม้ไป ไม่ตายหรอกเราจะไม่ง่วงต้องขยันอย่าอย่าปล่อยให้ใจคิดคิดแล้วเดี๋ยวฟุ้งฟุ้งแล้วก็อยากจะกลับบ้านันอยากคิดเนีย่ยห้ามคิดมันหลังให้เขาติดไปลายไว้ห้ามคิดดีกว่าตามกุฏิเนี่ยห้ามคิด <laughs> อย่าคิด ในปัจจุบันทำงานอะไรเหรอไม่ต้องทำงาน้วเหรอต้งานค่ะเสียแล้ว่ะเะมื่อก่อนทำอะไรเป็นทหารค่ะเป็นทหารทหาร อ, าอะไรหารเรือค่ะอยู่ที่ไหนอยู่กองาการทหรหลวสุดค่ะอยู่กรุงเทพน ะ, ะเคยพาเคยพาเพื่อ น, อนจุฬามาแล้วท่านจาได้ว่าออโยมอยู่คณะ เป็นคะแนนสถิตินะคะเมื่อกี้นี้แล้วไม่รทราบช่างจำไดไม้มีเพื่อนมากันทั้งกลุ่มอ่ะจำไม่ได้ ถ, ดถ้ามาถ้ามาคนเดียวจำไม่ได้สถิตินี้เขาขึ้นกับคณะหไหนอะคณะบัญชีค่ะบัญชี น, น ะ, ะ, ะพวกเดียนบัญชีนี้เขาว่าสถิตินี้เป็นวิชาที่โหดที่สุดทำไมเด็กๆแล้วก็อยู่บ้าน ของอาจารย์คณะบัญชีจุลาอาจารย์ท่านเสาอาจารย์อะไรเนะี่ยชาวลิทธธรรมรงบุญสิริคุณหญิงบุญสิริรท่านเสียไปแล้วอาท่านอยู่ตอนนี้ก็เก้าสิบแล้วมั้งแล้วก็บางทีก็มีพวกนักศึกษาปีสาปีสี่้วที่ก่อนจะสอบเขาก็มาขออยู่ที่บ้านท่านท่านมีบ้านย่า่ มีบ้านหลายหลัง okay. แราก็เคยไปอยู่บ้านท่านแต่เห็นพวกนี้พวกพวกนี้เข้ามาติวกันติ ว, วันนั้งคืนเลยกินกกนกาแฟอะไรกันอมัยนั้นมีอาจารย์สถิติที่โหดชื่ออาจารย์มันดิตเนะีใช่ค่ะ <Okay. S 2> ใช่ค่ะใช่กรรกายผ่าอาจารย์มันดิบไดาก็สบาล ตอนหลังนี่ก็มีเพื่อนเพื่อนเพื่อนคนหนึ่งก็เป็นอาจารย์อยู่ที่ที่จุฬาที่คณะบัญชีเนี่ยลูกสะพ้าของของศาสตราจารย์คุณหญิงคุณหญิงบุญสิริก็ทํางานอยู่คณะบัญชีพ mm hmm. อดีลูกชายแกเป็นหมอแเราแต่งงานกับคนนี้คนนี้เขาก็เล่นบัญชีมาแล้วก็จะทําชื่อแต่ไม่ได้ชื่อ ตัวก็มาทา ง, งานที่จเจลาแต่รู้สึกทำ ง, งานฝ่ายบริหารไม่ได้สั่ mm hmm. มีเพื่อนคนหนึงเขาก็เป็นภรรยาของเพื่อนเขาก็เป็นอาจารย์ที่บัญชีนี่นะ mm hmm. ชื่ออะไรเนี่ย mm hmm. นึกไม่อชื่อเป่นชื่อต้อาจารย์ต้อแต่ก็เกษียณแล้ว พนโยมีมเกษียหมดแล้วค่ะเพราะเราก็หกสิบแปดแล้วเนี่ยหกสิบเก้าแล้วปี น, นี้แต่ยังใจงมันยังเหมือนเด็กอยู่ม <c oughs> ีมาเป็นพรานี่มันเป็นแทบจะไม่ไม่กเคยเปลี่ยนแปลงอะไรเลยว่าทากิจกรรมทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีลูกไม่มีเต้ามันแค่เลยไม่เห็นตัวเองแก่ ไม่มีร้านไม่มีเส้นไม่มีอะไรแต่ชอบเหมือนเดิมมากนะครับปีนี้ไม่ใช่ปีเลยสามสิบปีสี่สิบปีนี้าเป็นอย่างนี้มาตลอดเพราะสัญญาอายุอันนาปะธรรมโอสถเนี่ยสตินี่แหละ ยาสำคัญก็คือสติสตินี้จะรักษาใจให้สงบใจสงบแล้วก็จะทำให้ร่ า, างกายสงบตามไปทั้งวันนี้เราหายาพิษมาใส่ให้กับร่างกายเพราะเราไม่สงบใจไม่สงบใจมันหิวหิวก็หาหาอะไรมากินกับของที่กินก็มีสารพิษเข้าไปช่ หาอะไรดูหาอะไรฟังมันมันก็มารบกวนเวลาพักผ่อนของร่างกายแทนทีนอนนอนหลับพักผ่อนก็มาอดตาหลับขับตานอนดูฟีลามาดูละครมากดูอะไรมากร่างกายมันก็เลยโทมเพราะไม่ได้รับการดูแลมีแต่ใช้อย่างเดียวใช้ร่างกายแต่ไม่มีการพักผ่อน กินก็กินกันแบบสุดๆมนุษยกินกันไปทำไมร่างกายมันถึงกลายเป็นตุ่ y, y, มันะมันถึงมันถึงมีมีโรคภยัยไข้เจ็บต่างๆตามมามี y, โรคความดันโรคเบาหวานโลกอะไรจีปาทะแล้วยิ่งถ้าไปมีความเครียดยิ่งไปกันใหญ่นะ เสีย น, นี้ทำให้อาการโรคแทรกซ้อนต่างๆขึ้นมาซึ่งหมอก็หายหาสาเหตุไม่ไดม้มันเป็นพ่อเ้วพอทำใจใสงบหายเครียดโรคแทรกซ้อนเหล่า น, นี้มันก็หายดันั้นฝึกสติให้มากเันจะอายุยืนทั้งร่างกายและทั้งจิตใจก็จะมีความสุขไม่มีความชุก ส, สติขึ้นมาเพื่อหยุดความอยากต่างๆความอยากนี่แหละเป็นตัวที่สร้างความเครียดให้กับเราอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้หรืออยากไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ให้มันเป็นอย่างนี้ก็ไปห้ามมันไม่ได้สิ่งต่างๆที่เราอยากนี่เหมือนก็ถ้าเป็นไปตามความอยากได้ก็โลกนี้ก็ไม่มีใครตายแล้วคน เต็มโลกโน้นโลกไปหมดเถ้าคนไม่ตายนี่มันก็ยากนกันนะแล้วจะอยู่กันยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องแยกกันะมันก็ต้องฆ่ากันอยู่ดีเพราะโลกมันก็มีอาหารแค่นี้แต่ถ้าจำนวนคนมันมันเกิดมาแล้วไม่ตายกันเนี่ยถ้ามันไม่ตายโดยธรรมชาติมันก็ต้องตายด้วยการฆ่ากันงั้นมันก็อยู่กันไม่ได้เพราะอาหารไม่พอกินกัน อย่าไปหวังอะไรจากโลกเลยโลกนี้มันไม่ใช่โลกของความสุขโลกของความทุกข์ร่างการนี้เป็นเครื่องมือของการหาความทุกข์ไม่ใช่การหาความสุขหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสเป็นการหาความทุกข์ทั้งนั้นได้มาก็ต้องทุกขกับสิ่งที่หามาได้ได้มาก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไปนานๆ ไม่อยากให้มันจากเราไปไม่อยากให้มันเปลี่ยนไปของทุกอย่างมันไม่แน่นอนมันไม่ถาวรได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็เริ่มเสื่อมลงไปเรื่อยๆอย่าไปหาของอะไรในโลกนี้เลยหาในใจเราดีกว่าหาความสุขในใจเราหานิพานนิพานอยู่ในใจเรา ด้วยสติพุโทโธพุโทโธไปหรืออยากคิดอยากคิดไปเตินใจว่าอยากคิดอยากคิดอยากคิ ด, อ ย, คดอยู่กับปัจจุบันตอนนี้ให้คิดว่าเราตายจากบ้านแล้วเหมือนกับบ้านเราไม่มีแล้วตอนนี้สามีภรรยาลูกหลานทรัพย์สมบัติอะไรไม่มีแล้วมาอยู่กับธรรมอย่างเดียว รักสมบัติที่แท้จริงคือธรรมมาหาธรรมดีกว่ามีธรรมแล้วมันจะไม่จากเราไปธรรมจะอยู่กับเราไปตลอดเขา อ, อย่างอื่นเดี๋ยวก็ต้องจากกันคนที่บ้านสิ่งที่บ้านนี่เดี๋ยวก็ต้องตายจากกันถ้าคิดว่าตอนนี้เราตายจากเขาแล้วไม่ต้องไปเปิดมือถือไม่ต้องไปติดต่อติดตามเรื่องราวของใครมาหยุด ใจให้อยู่เฉยๆให้นิ่งให้สงบถ้าไม่หยุดมาอยู่กี่วันก็เสียเงินปปล่าๆเสียเวลาปปล่าๆไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้ามาแต่ใจยังอยู่บ้านอยู่มาทำไมนะใจต้องอยู่กับร่างกายร่างกายอยู่ตรงไหนใจอยู่ตรงนั้นตอนนี้ไม่มีอะไรเนี่ยตรงนี้นั่งอยู่กันนี้ บ้านก็ไม่มีเมืองก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีทั้งนั้นมีแค่นี้แหละถ้าใจมันไม่คิดมันไม่มีมันไม่มีอะไรนะมันก็มีแค่นี้มีแค่ที่เห็นอยู่เนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็จะไม่มีเดี๋ยวร่างกายมันก็ตา ย, ยมันก็จบแต่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายไม่น้องคน ใจมีสติมีปัญญาแล้วใจจะเฉยจะไม่ยินดียินร้ายกับอะไรใจมีความสงบเลยมีความสุขแล้วพอปล่อยวางได้ทุกอย่างอะไรจะมาอะไรจะไปก็ไม่เดือดร้อนอะไรจะเกิดจะดับ ก, ก็ไม่เดือดร้อนมีผลดีจะได้จากการึกใจด้วยสติด้วยปัญญาตอนนี้ปัญญาอยากพิ่ อย่าเพิ่งจเจริญเจริญสติอนต้องเอาทีละขั้นถ้าไม่มีสติปัญญาก็ไม่เป็นปัญญาปัญญาก็เป็นความพุ่งซ้าไปอย่างไรไงมีคนมีคนมาส่งนนม า, งางแล้วทำมาไหมส่งแล้วเขาก็เรียกลกลัวเขาติดค่ะอ่าเดี๋ยวยกกันไปไงเดี๋ยวาว่าจะบอกต้มนะคะอ่ะบาบอกให้ตมารับนะ ม่ต้มส่งกับข้าวให้นะทำข้าวไม่ค่ะเห็นคุณป้าปุกบอกว่ามไม่ต้องทานเลยหาอะไรมาทานเองก็ได้ก็เลยเตรียมตู้ เ, ย, เยมอะไรมา อ, อันใหมน่นี่มีตู้เย็นมีเตาไมโพรเวฟเห็นคุณป้าปุกจะมาวันที่สิบเจ็ดนี้ค่ะยากจะมาฟังธรรมตอนบ่ายอ๋อไม่ว่ามาข้าวธรามดาด้วยนะโอ้แกจกเข้าไม่ถึงเหรอ <laughs> ามาว่าต้องเป็นสะิบปีแ ้ S <S <S า, าบ้า น, นี่แกเคยมาอยู่แค่ครั้งสองครั้งเลยเรือว่าอยู่หลังหลังสี่ใช่ะเออแกยังเข้าไม่ถึงหรอก S <S <S แกยังติดบ้านติดเรือนติดลูกติดสามีอยู่ฟังธรรมจนเสร็ปีแล้วล <S 2> <S 2> <S 2> <S ติดบุญอยู่เอาแต่บุญอย่างเดียวาพาคดไปทำบุญ ที่ไหนมีบุญงานบุญไปหมดเมือนพี่ปูใช่ไหมครับใจยังออกนอกใจยังเข้าข้างในไม่ได้กิเลสยังแรงกว่ากระแสกิเลสกักระแสธรรมมันจะสวนกันกระแสกิเลสออกแรงมันก็จะออกทั้งนอกถ้ากระแสธรรมสติแรงกว่ามันก็จะเข้าข้างในถ้าไม่ฝึกสติไม่มีวันเข้าข้างในได้ คนที่มาอยู่อย่างเงีแสดงว่ามีกำลังที่จะดึงจิตให้เข้าข้างในได้คนที่มาอยู่ไม่ได้นี่แสดงว่ายัางไม่มีกำลังยังติดอยู่กับข้างนอกวายมาอยู่คนเดียวยิ่เครียดขึ้นมาทันทีเหมือนติดคุกติดตารางแต่คนที่เข้าข้างในได้นะอ๋อสบายเหมือนขึ้นสวรรค์หลุดพ้นจากเรื่องวุ่นวายต่างๆ อข้างนอกมีแต่เรื่องวุ่นวายมาทานตาหูจมูกทิ้งกายยังไม่พอบางทีมาอยู่ที่นี่แล้วยังเอาเรื่องข้างนอกเข้ามาวุ่นวายด้วย ต, ต้องใช้สติตัดมันตัดมันอย่าคิดอย่าคิดไอ้ตัวคิดนี่แหละที่เปดึงเรื่องวุ่นวายต่างๆเข้ามากลับไปทํางานวันแรกก็รู้สึกวุ่นวายค่ะ เวลามาอยู่ที่นี่เราพอกลับไปรู้สึกเลยอค่ะเออเหมือนต่างกันเหมือนคนละโลกค่ะอมอรถมาปะเอามาค่ะเดี๋ยวรักเขาลงไปไหนใช่ค่ะ อ, อยู่ตรงนี้ อ, อยู่ในบ้านป่าไม้มไปไปถึงก็ไปเจอคนที่ทำงานมาเพิ่งเห็นกันเมือ่อสองสาวันก่อนแข่งดูดีแข่งแรงเลย แต่ก็แข็งแรงแข็งแรงระดับหนึ่งก็มีโรคประจําตัวนะคะเป็นหัวใจเป็นอะไรแต่ป็นเดินเหินได้ปรากฏไปถึงนอนไอซีแล้วค่ะพี่สายเวลามันจะเป็นขึ้นมาเหมือนภูเขาไฟระเบิดเหมือนแผนดินไว้หวมันไม่รู้เวลาเมื่อไหร่จะเกิดดูดูเฉยๆเป็นปกติพอจู่ๆมันจะเป็นขึ้นมาเป็นอะไรมันก้ามันคอยมันก่อตัวอยู่แล้วแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะแสดงอาการของมัน หมืนภูเขาไฟเนี่ยมันค่อยๆสะสมกําลังที่จะระเบิดอพอมันพอมันกระทุ้บขึ้นมาแผ่นดินไหวก็เหมือนกันเียค่อยๆสะสมแรงดันกันเบียดกันพอมันมีกําลังปบมันก็แผ่นดินโกลวัยตระไม่ได้ร่างกายนี้ก็เหมือกันตอนนี้ดูท่าทางดีเจ็บตรงนี้แบบนู้นนิดหน่อยก็คิดว่าคงไม่เป็นไรแล้วพอนานเข้านานเข้านานเข้ า, น า, น เ, ขาเป็นเลย เขาจะถึงสอนลราให้เจริญนอนนุ่สติอยู่เรื่อยๆอย่าประมาท<ม>ให้เตรียมตัวตายกันค่ะแต่วันนี้พอ<ม><ม>ถึองเวลาตายมันจะไม่ทุกข์ถ้าไม่เตรียมตัวตายถึงเวลามันจะทุกข<ม>์ทุกอย่างอยู่ที่การเตรียมตัวถ้าเตรียมตัวแล้วจะไม่ทุกข์ถ้าไม่เตรียมตัวแล้วจะทุกข์ก็จะทำทาใจไม่ได้ นอนไอซีอยูคืนเดียววันรุ่งขึ้นก็ก็เสียเลยเ่อดีเดี๋ยวเราไม่เสีย เ, <c oughs> เงินมากโรงพยาบาลเอกชนด้วยเอแ่ า, <c oughs> <c oughs> าถ้าอยากจะตายเร็วไปใกล้เ อ, อกชนนี่ลำบากตายช้านะเอกชนนี่เขาไปายามสุดๆเลยถ้าอยากจะตายเร็วออ ก, กวไ็ไปโรงพยาบาลรัฐบาลสาสิบาทเนี่ยก็ได้ได้ไป็นรถน้ำศพค่ะอาจารย์ก็เหมือน เหมือนเหมือนเราเลยนะเหมือนเรานอนแต่ว่าตุ๊กตาเนี่ยร่างกายนี้ก็ตุ๊กตาดีๆนี่เองเราเอามาเล่นกับมันเอามารับใช้เราให้ทำนู่นทำนี่ให้กับเราเป็นใหญ่ก็เอาไปทำแต่เรื่องที่สร้างความเครียดสร้างความทุกข์ให้กับเราเพื่อจะไปทำให้เรามีความสุขไม่ใช่ทำมัน อยากจะถามไงนะปะ้ายังค่ะยังไม่ได้เริ่มเดี๋ยวถ้าเริ่มแล้วถ้ามีคําถามจะขออนุญาตมาถามก็ถามได้ะคะ่ะมีหนังสือสำเนาถ้าถามก็ร่ามเนี่ยหายากถ้าอย่างด้านก็หยุดไปมีหนังสืเอเล่นไหนอยากจะเอาไปอ่านกไ็ได้ อ, อ, อยู่ที่นี่ก็หยุดคิดแล้วก็อ่านหนังสือทําถ้าจะคิดจะคิดกับหนังสือไปอย่าไปคิดทางโลกโยมมายากมากเลยเอเพราะฉะนั้น พยายามวิมมน า, นมมาทีมีแต่เยาว์งานที่ของเราตอนนี้ก็คือให้เราลืมโลกไปเลยลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาให้อยู่ในปัจจุบันปัจจุบันก็มีแค่ร่างกายของเราให้แค่นี้ฝึกสติก่อนแล้วก็นั่งสมาธิให้จิตมันนวมการฝึกสติก็เพื่อให้จิตนวมให้สงบถ้าจิตนวมจิตสงบแล้วมีความสุขมากจะทิ้งได้อยจริงๆตอนนี้ยังทิ้งไม่ได้ทิ้งแบบชั่วคราว แต่ถ้ามีความสงบแล้วมีความสุขแล้วมันจะทิ้งหมดเลยตอนนี้มันยังทิ้งไม่ได้เพราะยังต้องอาศัยมันอยู่ยังต้องอาศัยคนที่บ้านอยู่แต่พอมีความสงบมีความสุขแล้วทิ้งได้หมดเลยคนละโลกเลยต่างกันคนละโลก เ, ลเวลาจิตสงบนี่เหมือนอยู่อยู่บนสวรรค์อยู่บนนิพพานถ้าไม่สงบนี่โอ้โหมันมัน อยู่ในคุกในตลางมันต้องหาคนนู้นคนนี้หาสิ่งนั้นสิ่งนี้มามาทำให้มีความสุขพยายามทำใจให้สงบ ต, ต้องฝึกสติมากๆถึงบอกอย่าไปทำอะไรตอนนี้ให้หยุดคิดแล้วก็นั่งให้มากๆนั่งหรือเดินก็ได้เดินก็มีสติอยู่กับการเดินอยู่ที่เท้าก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไป อยากคิดอยากคิดอยากคิดถ้าจะคิดก็บอกอยากคิดอยากคิดซ้ายขวาซ้ายขวาพุโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไปบ้างก็ได้สลับกันเพื่อให้มันแืบไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อ่านหนังสือธรรมะบ้างฟังนิสฟังเทศบ้างอะไร น, นสลับกันไปสร้างสติขึ้นมาให้ได้ให้จิตตั้งมั่นให้จิตไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตไม่ให้จิต ไหลไปกับความคิดต่างๆให้จิตรู้เฉยๆจิตนี้มันมีสองส่วนส่วนที่รู้กับส่วนที่คิดส่วนใหญ่แล้วก็อยู่กับส่วนที่คิดเลยไม่ค่อยรู้อะไรเราหยุดคิดแล้วเราจะมีเราจะรู้เราจะรู้เห็นอะไรต่างๆให้รู้เฉยๆศักแต่ว่ารู้แล้วก็นั่งสมาธิให้จิตรวมให้จิตสงบ หยอดสงบเมื่อไหร่ก็จะมีความสุขเมะนะือนั้นจะไม่อยากกลับบ้านพระพอาจารย์พระอาจารย์คคอสอนว่าถ้าถ้าไม่อยากทุกข์ก็อย่าไปอยากไม่อยากอยากก็อย่าไปไปรักไปชังอะไรถ้าเกิดว่าให้ตัดพระอาจารย์บอกให้ตัดตั้งแต่ต้นเลยคือถ้าเกิดว่าเริ่มรู้ว่าจะจะชอบอะไรแล้วให้หนูก็ลองคิดเลยว่ามันเป็นอ น, นิจจังมันก็จะได้ไม่ไปชอบ พอรู้สึกว่าถ้าเกิดเราชอบรู้สึกชอบเรื่อยๆเนี่ยมันมันพอมันฝังแล้วมันแก้ยากกว่านั่หละถ้าชอบก็หัดเกลียดมันมั่งถ้าเกลียดก็หัดชอบมันเพื่อให้ใจมันอยู่เฉยๆให้มันอยู่ระหว่างชอบกับไม่ชอบถ้าชอบอะไรก็อย่าไปทําถ้าเกลียดอะไรก็พยายามทํามันมนกินข้าวกินอาหารเนี้ยอาหาร้านไหนชอบก็อย่าไปกินมัน อหารอะไม่ชอบมันกินมันกินที่ไม่ชอบแล้วต่อไปมันกินได้ทุกอย่างตอนนี้ชอบสุกกันหัดไม่ชอบสุกมากไม่ชอบทุกหัดชอบทุกกันบ้างนั่งให้มันเจ็บนั่งให้มันนานให้มันเจ็บไปนานๆแล้วหัดอยู่กับมันไปอย่าไปอยากให้มันหายถ้าชอบทุกถ้าชอบความเจ็บแล้วมันก็ไม่อยากให้ความเจ็บหายไป มันก็จะอยู่กับความเจ็บได้ต่อไปตอนนี้อยู่กับความเจ็บไม่ได้เพราะไม่ชอบมันเท่านั้นเองไม่ใช่อะไรความเจ็บมันไม่ร้ายกาศอะไรตัวร้ายกาศก็คือความไม่ชอบความเจ็บมันทำให้เกิดความอยากให้ความเจ็บหายไปพอเกิดความอยากขึ้นมาก็เลยเกิดความเครียดขึ้นมาตัวเนี้ยตัวร้ายกาศก็คือตัวความเครียดไม่ใช่ตัวความเจ็บแต่ถ้าชอบความเจ็บมันก็จะไม่มีความเครียด คนเราเวลาอยู่กับสิ่งที่เราชอบเครียดไม่ชอบไม่เครียดนะแต่จะอยู่ไปนานแต่ถ้าไปอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบนี่เนี่ยอยากให้มันหายไปเร็วๆพยายามหัดชอบในสิ่งที่เราไม่ชอบหัดชอบความเจ็บมาฝึกเป็นสาดิตกันแต่ไม่ต้องเอามีมากรีดนะนั่งนั่งหรืออดข้าวเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบความหิวหัดชอบความหิว ต่อไปมันจะไม่เดือดร้อนถ้าอดข้ามือ้อสองมื้อนี้มันจะรู้สึกเฉยๆมันกลับจะมีความสุขพ็ชอบชอบความหิวอย่าไปชอบความอิ่มอัดเกลียดความอิ่มทั้งนั้นกินอาหารนี่อย่าไปกินให้มันอิ่มกินให้มันไม่กินไม่ให้มันหิวก็พอไม่ได้มันอิ่มพอรู้สึกว่าไม่หิวแล้วก็หยุดกินมันจะไม่กินมาก แต่ถ้ากินใหมันอิ่มนี่มันไม่รู้ความอิ่มมันอยู่ตรงไหนแต่ความไม่หิวเนี่ยมันรู้ อ, อ๋อตอนนี้ไม่หิวแล้วหยุดพอไม่หิวแล้วก็หยุดได้แล้วกับคนก็เหมือนกันค่ะอาจารย์ทุกอย่างอะ่ะเหมือนกันหมดใจเราต้องอยู่กลางเป็นกลางในอุอบเบกขา การนั่งทำสมาธินี่ก็เพื่อให้ใจเป็นกลางที่แท้จริงการมาฝืนมาการบอกให้มันชอบไม่ชอบมันก็เป็นการฝืนไปอย่างนั้นแต่มันไม่เป็นธรรมชาติเดี๋ยวพอเผลอป้ามันก็กลับไปชอบเหมือนเดิมกลับไปเกลียดเหมือนเดิมแต่ถ้าทำใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วมันจะเป็นกลางเอามันเป็นกลางแล้วทีนี้บอกมันให้มันอยู่โคางกลางมันก็จะอยู่โคางกลางแล้วเราก็หัดชอบไม่ชอบ โดยที่เราทำสงบเป็นเหมือนกับเป็นอาวุธต้องใ ช, ใช้ความสงบเป็นตัวที่ทำให้เราเฉยๆจริงๆถ้ายังไม่สงบยังไม่เฉยจะให้พอแล้วนะนะอยากท้าวิวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิตุทินางเตตานางอุ ป, ปากาปฏิ อิตังปัตถีตังตุมหังคิดปะเมวะสนิชัตุสัพเพปุริตุสังกปปจันโทปัญหาลาโสยถามณิโชติลาโสยถาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพพโรโควีนัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะ อาพิวาทะนสีลิสะนิจจังวุฒาปจายนโนจตารอธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลาัง